ขอใช้คำบาลีนิดหน่อยนะครับรัฐทังยาดีดังสาธุนารัฐทังกุศลังอิติได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นกุศลได้เพียงแต่ดีนะจันนะถ้าเผื่อไม่ได้เป็นกุศลเลยที่เดียวแหกุศลเลยจะตั้งใจอยู่เสมอคิดอยู่เสมอทีนี้เป็นผู้คงที่ในการได้และไม่ได้คงที่ในการได้หรือไม่ได้ เหมือนกับคนที่เข้าไปใกล้ต้นไม้เมื่อไม่ต้องการผลและไม่ต้องการอะไรอะไรจากต้นไม้จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอันนี้คือข้อความในโมญยะปฏิปทานนะครับประม า, ว, ามว่าเราไปอาศัยเพียงร่มเงาของต้นไม้ส่วนผลของมันนั่นจะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับ นี่ก็เพื่อประกอบเรื่องนี้ขอเล่าเรื่องเรื่องเด็กนิดหนึงนะครับอาจารย์ครั บ, รบอมีเด็กอยู่คนหนึ่งพ่อเขามีเรือมีเรือแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เรือจ้างครับเป็นเรือที่ชอบพาเพื่อนไปไหนไปไหนก็ไปเรืออแต่พ่อเป็นคนรับผิดชอบเรื่องเรือนะฮะ เวลาจะไปไหนด้วยกันก็มีเพื่อนฝูงไปแล้วก็ไปลงเรือกันพ่อก็เตียมเรือสําหรับเพื่อนสะพาเพื่อนไปนี้พอไปเรือกันแล้วถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วก็ลงเพื่อนเพื่อนก็ลงเรือแล้วพ่อก็ต้องคอยดูแลเรือคอยผูกมัดคอยอะไรกังวลกับเรื่องเรือนะครับครับนนี้เด็กแกก็คอยสังเกตเอ่ะเพ่อนี่ รู้สึกว่ายุ่งกับเรือมาก <étais licenses> ตั้งแต่ก่อนออกเรือจนถึงรับไปในเรือพ่อก็ต้องแซวต้องภายไปเพื่อนก็นั่งไปเพื่อนนั่งสบายเลยครับพอไปถึงแล้วเพื่อนก็ขึ้นเรือก็ไปกันสบายสนุกสนานพ่ อ, อ ก, ก็ต้องกังวลกับเรื่องเรือวันหนึ่งเด็กก็ถามว่าพ่อ ค, ครับทำไม ถ้าไมคนอื่นเขาสบายเขาไม่ต้องยุ่งกับเรือนี่พ่อก็ยุ่งกับเรือครับพ่อก็บอกว่าลูก เ, เอ้ยวิธีของโลกก็เป็นอย่างนี้แหละคือว่า เ, เรามีเราเป็นเจ้าของเรือเรามีอะไรเราก็ต้องเดือดร้อนกับอันนั้นแหละครับอทีนี้ก็เด็กคนนี้ก็เลยบอกพ่อรับต่อไปผมจะไม่มีอะไร จะได้ไม่ยุ่งกับสิ่งนั้นอ่าต่อไปผมจะไม่มีอะไรครัแล้วท่านก็ออกบวชอันนี้เป็นเรื่องในในศาสนาในเป็นเรื่องของเซนนะฮะอย่างของเซนแล้วท่านก็ไม่ไม่ออกท่านก็ออกบวชแล้วท่านก็ไม่มีอะไรไม่ยอมมีอะไรจากตัวอย่างที่เห็นพอยงกับเรือนะฮะเพราะฉะนั้นก็ผมจึงสรุปกับท่านอาจารย์ไว้ในที่นี้ว่า อวิธีไม่ให้ติดโลคก็คือตั้งใจไว้ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วถ้าในทางเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับพระสูตรบทเรพระสูตรหนึ่งผมก็จําชื่อพระสูตรไม่ได้นะจะเป็นเทวตาปัญหาสูตรเรื่องไหผมก็จําไม่ได้ที่เทวดามาถามว่าอ่ามีอะไรแล้วถึงจะไม่เศร้าโศกถ้าบอกว่ายังอุติมาปุเตหิครับอุติมาปุเตหิ ปุเตหินันติติปุเตหิปุติมาแต่มีลูกก็บันเทิงเขาลูกแตอนนพระพุทธเจ้าเราปุติมาเา โ, สโสจติปุติตมาหิปุเตเอโสจติโสจติปุเตหิฮคนที่มีลูกก็เศร้าโศกคเพราะลูกคคนนี้อะไรก็เศร้าโศกกับ ส, สิ่ง น, นั้นแหละคมีรถก็เศร้าโศกรถ <laughs> <laughs> อมันก็ก็ มีมีใช้มีก็ใช้ประโยชน์เท่าที่มันมีมันไม่มีก็เป็นประโยชน์อย่างที่มันไม่มีถ้าไม่มีรถก็เออก็ดีเหมือนกันได้ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถเมก็ไม่ต้องไประวังว่ามันจะหายหรือไม่หายไอ้ตรงนี้สาคัญนะครับตรงที่ว่าไม่มีก็เป็นประโยชน์อย่างที่มันไม่มีได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นกุศลใช่ครับ อันนี้ทัางจาให้แม่นเลยท่านผู้ฟังค่ ะ, คะได้เนี่ยเพียงดีแค่นั้นนะแต่ว่าไม่ได้เนี่เป็นกุศลมหาศาลเลยรัรันโชคดีที่ไม่ได้ครับ <laughs> สมมติว่าเป็นเจ้าวาดนะฮ<น>ะคใครๆก็อยากเป็นเจ้าวาด <นะ S 2> ถ้าเผื่อตั้งใจไว้อย่างนี้นะได้เป็นเจ้าวาดก็ดีจะได้ทำประโยชน์ให้กับอาวาสเท่าที่เรามีจู ถ้าที่กําลังความสามารถเรามีอยู่ไม่ได้ก็เป็นกุศลไม่ได้เป็นนั่นแหละดีกว่าเป็น <laughs> <า> <laughs> จะไปจะไปยึดมั่นไว้ทําไมไปหน่วงอย่างไว้ทำไมจริงๆแล้วตอนนี้มันทุกทุกวันนี่เราก็มาดูว่าคนเราก็วิ่งเต้นที่จะเป็นโน่นเป็นนี่ะนะทีนี้มันก็จะสวนกระแสกับที่ที่เราพูดกันทุกคนก็อยากจะเป็นทหาราอยากได้เป็นในพลเป็นอธิบดีเป็นผู้อำนวยการกองว่ากันก็เรียกว่า ดันงนั้นวิ่งกันบังคนก็ถึงว่าเสียเงินเสียทองนะฮะอยากจะได้เลือยดยศเลือดตําแหน่งด้วยอะไรตาอะไรกันส เ, เสียเงินเสียทองลําบากลำ บ, บนอย่างนั้นที่มีเรื่องพูดกันมาเนี่ยนะฮะเด็กคุณโน้นเด็กคุณนี้อะไรตาอะไรเนี่ยนั่นก็สวนสวนกระแสธรรมะนะฮะครับสําคัญที่ ต, ต้องไฟกันมากนัต้องไฟกันมากต้องทีพูดไปพูดมากขาบอกแ ม, แม้แม้แต่วงการอพระสงฆ์องคชาติก็ยังมีกว่าลามปามกันไป ครับก็ก็ถ้ายัางยังมียังมีกิเลสที่เป็นเอธที่อยากเป็นอยู่มันไม่ว่าในวงการไหนมันก็มีทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ครับ<ะ>ตัวผลักดันมันเป็นตัวกิเลสครับฮ ะ, ฮะมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวแบบไม่ใช่ตัวรูปแบบแต่มันเป็นที่ตัวกิเลสเป็นตัวผลักดันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจไว้อีกเครื่องหนึ่งว่า อ, อมาก็ไม่ดีใจไปก็ไม่เศร้าโศกแต่ถ้ามันมา ก, ก็มันมาตามเหตุของมันไม่ว่าลาบยศสันเสริญจะมามันก็มาตามเหตุที่ที่เราได้ทำเหตุเอาไว้มันก็มาถ้าเพื่อเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทามันมาก็มาตามเหตุที่ว่าทำเหตุเอาไว้ทุกอย่างก็มีเหตุมีปัจจัยที่จะทาให้ได้ทำให้ไม่ได้นะฮะใช่ครับ มันไปก็ไม่เศร้าโศกมันไปก็ไม่มเศร้าโศกมาก็ไม่ดีใจไปก็ไม่เศร้าโศกไปก็ไม่เศร้าโศกเพราะว่ามันไปตามเหตุคตามเหตุที่มันควรจะไปอายันติงนาพินันดติปักกามันติงนาโตเจติอมาก็ไม่ดีใจไปก็ไม่เศร้าโศกอช่างมันครับก็ อย่างนี้คนอย่างนี้ไม่ติดโลกครับครับไม่ติดโลกเพรนใ น, ในธรรมบทเรื่องไหนจะมีที่ผมผมก็จำจำไม่ค่อยดีนะซึ่งบอกพุทธเจ้าท่านพูดถึงพระอรหันเนี่ยเปรียบเหมือนนกใช่ไหมครันกบินไปในอากาศมันจะไม่มีร่องรอยให้เห็นคเพราะนั้นอคนที่อยู่กับโลกเนี่ยถ้าหากว่าทาตัวให้เหนือโลกผลโลกมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นร่องรอยให้จะต้องกังวล ไม่วิตกกังวลหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นใช่ครับนะใช่ครับ เ, รเหมือนเป็นรอยเท้าไม่ปรากฏในอากาศนะครับใบน้ำไม่ติดใบ ป, ปัวใบ ป, ปัวไม่ติดน้ำลมไม่ติดตะขาย่ตะขายไม่ติดลมนะแม่จะผ่านลมก็ผ่านตะขายได้แต่ไม่ติดถ้าถ้าเผื่อคนที่อยู่ในโลกแล้วไม่ติดโลกก็เป็นเรียกว่าเหนือโลก ก็เดินเหินอยู่ในโลกนะครับใช่ใช่นะครับครับแต่ว่าพิจารณาเห็นโทษของโลกแล้วก็ไม่ติดโลกก็ยิ้มเยาะยิ้มเยาะได้ครับมันจะมายังไงก็เราเออไม่ไม่มีความหมายครับธรรมดาโลกนี่มันมุนหมุนไปสู่ความยุ่งเหยิงเสมอครับใช ถ้าเผื่อใครเอาใจไปติดไปเกี่ยวขกาะกับโลกไม่ถอยออกมาจากโลกแล้วก็มันจะยุ่งเหยิงคอยุ่งเหยิงก็มันไปด้วยโลกมันหมุนโลกหมุนไปสู่ความยุ่งเหยิงอยู่เสมออได้อาศัยได้อาศัยธรรมเนี่ยครับช่วยให้โลกมันยุ่งเหยิงน้อยลงถ้าเผื่อไม่มีธรรมะไม่มีธรรมก็โลกมันจะยุ่งเหยิงอยู่ตลอดไปลายิ่งยุ่งมากขึ้นออผมขอ ขอเรียนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายลองอ่านโมนิยะปฏิปทานะครับดีมากไปครับของเรามีพระเทระรูปหนึ่งในศาสนาพุทธของเรานี่นะครับคือท่านนาลกกาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นเอเทัคขะในทางโมงนิยะปฏิปทานโมนิยะปฏิปัติคือเป็นผู้ปฏิบัติอย่างมุนีมุนีนี่แปลว่าผู้รู้แปลว่านักปราชญ์แต่ว่า ท่านมีรายละเอียดในข้อปฏิบัติของมุนีสําหรับที่เป็นโมนายะโมนายะปฏิปทาพานาลิกะนะฮะนาลิกะพระนาลิกะนาลิกะครับถ้าเผื่อท่านต้องการจะอ่านรายละเอียดก็ลองดูจากพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบห้าข้อสามร้อยแปดสิบแปดสามร้อยแปดสิแปดแปดสิบแปดครับ นาลากาศสูตรชื่อนาลากาัสูตรในสุตตานิบาตขุทกนิกายโมเนยะปฏิปทาหมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีครับใช่ครับแล้วก็ท่านผู้ที่ได้รับการยกย่องในปฏิปทานี้เป็นพิเศษก็คือท่านนาลากบนาลากะ เ, เป็นสาวกของผู้เจ้าที่เป็นเอรดทัคคะในทางนี้ ถ้าถ้าเพื่ออ่านตรงนั้นก็จะได้ได้ความที่ดีมากเลยครับจะใกล้เคียงกับสามัญญผลหรือเปล่าท่านอาจารย์คนละคนละเรื่องครับคนละเรื่องแต่ว่าในเนื้อหานี่จะใกล้เคียงกันไหมครับสามัญญผลก็สามัญญผลนั้นเกี่ยวกับเรื่องผลของความเป็นสมณะผลของความเป็นสมณะครับสิบสี่ข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครับพระเจ้าชาสจูนะฮะฮครับแต่นี้เป็นข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นผลของเปนเป็นผลของ ของความเป็นสมณะที่ปฏิบัติแล้วที่ปฏิบัติแล้วแต่นี่เป็นเป็นแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีชื่นเริด เ, เช่นว่าผมกอยกตัวอย่างบางตอนนะฮ ะ, ะแต่กี้นี่พูดถึงไปข้อหนึ่งแล้วที่ว่าให้คิดอยู่เสมอว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นกุศลนะครับไม่บายทาเป็นเหมือนบาย ไม่มินทานว่าน้อยไม่ดูแคลนผู้ให้บริโภคปัจจัยเหมือนเหลียน้้ำจากน้าพึ่งเหมือนเหลียนยน่ะอยกน้าพึ่งจากมีดโกนด้วยความเรามาระวังเกรงจะบาดลินรักษาจิตให้พ้นจากกิเลสในการบริโภคบันเท่าความอยากในรถเป็นผู้สำรวมในท้องคือไม่เสพปัจจัยที่เกิดในทางอันสร้าหมองไม่บริสุทธิ์ไม่ชอบทำ อยนี้นะครับท่าจาย์ลองไล่ดูนได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นกุศลเป็นกุศลไม่บ่ายไม่บ่ายไม่บ่ายทำเป็นเหมือนบ้ายไม่มินทานว่าน้อยไม่มินทานว่าน้อยครับไม่ดูแคลนผู้ให้คือเขาจะให้มากให้น้อยให้ของดีของเลวอะไรก็ก็ไม่ดูแคลนไม่ดุมินรับผู้ให้ครับครับ บริโภคปัจจัยเหมือนกับเลียหยัยดน้ำพึ่งจากมีดโกนบริโภคปัจจัยเหมือนเลียหยัยดน้ำพึ่งจากมีดโกนไป<ะ>ไประวังเต็มที่นะนะระวังเต็มที่นี่คือด้วยความระมัดระวังเงจะ บ, บาดลิน้น<ะ>รักษาจิตให้พ้นจากกิเลสในการบริโภครักษาจิตค่ะ บรรเทาความอยากในโทษเป็นผู้สำรวมอาหาในท้องไม่เสพปัจจัยที่เกิดในทางอันเศร้าหมองไม่บริโภคโดยไม่ไม่บริโภคบริไม่ไม่บริสุทธิ์เศร้าหมองคือไม่บริสุทธิ์ไม่ชอบทำมีมีค่อนข้างเยอะนะครับนค่อนข้างเยอะอไม่ใบก็ให้ทําเหมือนใบ อันนี้หมายความหมายว่าอย่างไงครับคือว่าอาบางทีบางทีก็ก็ไม่พูดนะครับบางทีก็ไม่บ่ายแต่ก็ทําเป็นเหมือนบ่ายไม่ไม่ใช่เสมอไปนะครับก็เป็นบางทีเคยกันบอกว่าไม่หนวกก็ทําเหมือนหนวกไม่บ่ายก็ทําเหมือนบ่ายไม่บอดก็ทําเหมือนบอดผมบอกให้ภาษาชาวบ้านกอให้บอกให้ให้ตาให้ทําเหมือนตากระทูหูกระทะ ใช่ไหมสบายผู้บอกว่าให้ทําตาให้ทําเหมือนกับเป็นตากระทุ้หูกระทะครับอตากระทู้ก็คือไอ้ไม่เนี่ยมันมีตาใช่มครับมันก็มองไม่เห็นหูกระทะมันก็ไม่ได้ยินอะไรคครครัับบ <c oughs> เป็นบางครั้งบางคราวนะไม่ใช่ว่าทําำทำตลอดไปนะเป็นบางครั้งบางคราวับถึงเวลาที่จําเป็นที่จะต้องทําก็ต้องทําครับถึงเวลาที่ต้องพูดไม่พูดกะ อ่านี่ก็ใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ก็มีมีมีเพื่อนผมรูปหนึ่งอฮะท่านเลี้ยนเก่งมากก็ได้เปลี่ยนก้าประโยคครับเวลาคุยได้ก็คุยแต่ว่านิมนต์ปเทศเนี่ยไม่ยอมซิไม่เทศเทศไม่เป็ดเทศไม่ได้พูดไม่ได้อย่างนี้ก็ได้ประโยชน์ก้าวมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่พูดในการที่คนพูดฮะไม่ใช้ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์อยู่อยู่ก็ตีได้คุยได้ทั้งวันอ่ะ แต่บอกเอาไปนิมนต์ประเทศหน่อยไม่รับไม่รับนิมนต์เทศ <c oughs> าอาจารย์ไม่สบายว่ะเนี่ยไม่เป็นไรละครับมันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองครับต้องกระแอมบ้างไม่กะแอมก็ไม่ใช่ธรรมดาแหละครับ <c oughs> แล้วก็มีอีก อีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดสายนะครั บ, ค, รบคือที่คนรจะนําไปใช้ประโยชน์ได้มากในข้อนี้นะครับคือว่าให้ท่านผู้ฟังพิจารณาสัญญาสิก อ, อ, อยู่เสมอนะครับที่พระพุทธเจ้านั้นให้พระอานุ์ไปแสดงกับพระคิริมานัน tha คือในคิริมานันทสูตรนะฮะคีริมานันทสรนะครับในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าอาภาทสูตรนะฮะอาภาทสูตรครับถ้าเผือไปหา ทิริมานฑ์นทสูตรในพระเจ้าพิทักจะไม่เจอครับครับท่านใช้าพาทสูตรแต่ว่าในสวดมนต์ฉบับหลวงเนี่ยเราคุ้นเคยกับสวดมนต์ฉบับหลวง่ถ้าอาจารย์เคยอ่านหนังสือทิริมานฑนทสูตรซึ่งท่านจะคุณอุบาลีจนันสริชันโทท่านเรียบเรียงเลยฮะอ๋ออันนี้ไม่ไม่แน่ใจครับถ้าเพิ่งอ่านแล้วชื่ อ, าาอทิริมานฑนทสูตรเหมือนกันแต่ว่า ไม่ตรงกับอาพาทสูตรหรือว่าชื่อชื่อเมานนทสูตรในในหนังสือในพระสูตรที่ว่าเนี่ยอ๋อเนี่ยเลยครับครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาสิบเลยไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่มีเกี่ยวกับสัญญาสิบเลยอ๋อแต่หนังสือชื่อที่เล่มานนทสูตรอ๋อครับอันนี้ไม่ไม่ทราบครับไม่แน่ใจครับครับมันก็ให้ให้พิจรารณาสัญญาสิบอยู่เสมอนะครับอันนี้ดีมากเลยครับมัน เอทําให้สุขภาพจิตดีนะครับครับทําให้สุขภาพจิตดีทําให้ไม่ติดโลกและสุขภาพจิตดีคือว่าเช่นว่านึกถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมอเลยทีเดียวว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงอไม่ไม่ไม่ต้องไปกังวลกับมันหรอกมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่อยู่หรอกมันไม่อยู่กับเรามันไม่อยู่หรอกไม่อยู่แน่นึกถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมอครับ แล้วก็นึกถึงความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งปวงครับรวมทั้งนิพพานด้วยนะครับครับรวมทั้งนิพพานด้วยว่าถามว่าสิ่งทั้งปวงนี่หมายถึงนิพพานด้วยผ่านด้วยกับเป็นอนัตตาแน่นอนนะครับรวมทั้งนิพพานด้วยอย่าไปยกเว้นนิพพานออกไว้ครับนึกถึงความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งปวงแล้วก็นึกถึงความปฏิกูรูอของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไว้เสมอเพื่อเพื่อไม่ติดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็อพิจารณาให้เห็นโทษของร่างกายว่าเป็นปี่ทุกข์มากมีโทษมากเป็นที่ตั้งของโรคต่างๆมากมายประการต่อมาก็ตั้งจิตไว้เพื่อละความเจตในกามคุณตั้งจิตไว้ เพื่อละความติกในกรารมคุณนะครับ <c oughs> แล้วก็ประการที่หกคิดไปในทางคลายความติดพลักใจจากสิ่งที่เคยติดพันยึดมัน<ช>่น เ, เห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งใดที่เข้าไปติดพันยึดมั่นจะไม่ให้โทษนั้นไม่ดีถอยใจออก<ช>ออนี่ผมพูดโดยย่อนะครับก<ช>็เจ็คิดไปในทางดับหรือว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุก ชีวิตของเราอยู่เพื่อจะดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ประการที่แปดเห็นว่าไม่มีอะไรน่ายินดีในโลกทางปวงจะถอยตัวออกมาจากโลกนะครับนี่ค ร, ครับประการที่ 9, เก้าพิจารณาเห็นว่าไม่น่าปรารถนาในสังขารท้งปวงขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะครับ ถูกทั้งนั้นประการที่สิบก็เรื่องอานาปานสติครับเรื่องอนาปานสติอันนี้ก็เป็นสัญญาสิบข้อสัญญานี้แปลว่าสิ่งที่ควรพิจารณานะฮะครับคนพิจารณาสิประการที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้พระนลไปแสดงกับพระคีมานนท์ข้อข้อข้อหกว่าไงนะท่าอาจารย์ข้ขอหกเลยครับ ทางคลายความติดเขาเรียกวิราค่าสัญญาครับใช่ครับวิราความติดนะฮะใช่ครับวิราค่ะวิราค่าสัญญาครับครับข้อเจ็ดเป็นนิโรธาสัญญาครับครับอันนี้จะเป็นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมืออย่างดีในการที่จะไม่ให้ติดโลกครับแล้วก็ แนวปฏิบัติอีกอันหนึ่งก็คือโมนิยะปฏิปทาที่ผมแนะนําแล้วนะครับไปอ่านรายละเอียดในปฏิปิจกเล่มยี่สิบห้าอันิบาอภาทสูตรไปอยู่ในเล่มไหนฮะภาทสูตรในในทัศกานิบาสอังคุตานิกายนะครับกับต้องไปดูในทัศกานิบาสอังคุตานิการเล่มที่ อ, อะไรฮะ<อ> <laughs> ทศกานิบาสนี่ก็ตกเล่มที่ยี่สิบ ยีกำลังครับอนกันยี่ะ24สี่นะฮะครับยี่สิบสี่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะดูในในพระแต่พิโกคอมพิวเตอร์ครับนั่นแหละครับเดี๋ยวผมผมผมเปิดให้ดูนิดหนึ่งครับผมนี่ฮครับครับนำขุดแลนิ่กาย เอาว่ทาทัศากาลนิบัติเล่มยี่ิบสี่ถูกแล้วครับเล่มยี่สิบสี่เล่มยี่สิบสี่นี่มันมีอยู่สองนิบัติทัศากาลนิบัติกับเอากาทัศากาลนิบัติครับถ้าอาจารยหรือเวลาน้อยประสานท่านผู้ังได้ครับยินดีครับาไม่สายลนะคุณเลิศสวัสดีครับคุณเลิศครับ สวัสดีคุณเล่ครับสวัสดีครับครั บ, รบผมขอออกความเห็นเรื่องนิพพานนางปรมังสุ ข, ขังบ้างอาเชิญนะฮะอาว่าฟางความเข้าใจของผมนะครับคําว่านิพพานนางปรมังสุ ข, ขังเนี่ยก็หมายความว่าผู้ที่เข้าสู่ปรินิพพานไงไม่มาเกิดอีกแล้วเป็นอนัตตาครับคือเป็นความสุขอย่างยิ่งผู้ไม่มาเกิดมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับครับครับผมก็มีความเข้าใจอย่างยิบยือว่าให้เข้าใจง่ายเข้าครับข้าในชาติ ทุกขาทลาปิดทุกขาคือถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีทุกไม่มีทุกถ้าสุกนั่นเองก็ถูกต้องเลยครับครับใช่ครับผมก็ขอขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับคุณเลิศจะไม่ขาดครับครับผมขอเพิ่มเติมนิดนะครับครับผมคือถ้าเผื่อเป็นผู้ที่นิพพานไปแล้วโดยอนุปาทิเศสนิพพานเนี่ยดับกิเลสหมดแล้วและดับขันไปแล้วด้วย ตามหลักฐานทางพระบาลีนี่นะฮะท่านถือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขอทุกข์ขึ้นมาสุขะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสุขครับค<า>มีพระบาลีเป็นหลักฐานถือว่าอาถารูกปาอาลูปาจะสุขะทุก ข, ขาปรงมุจจติเมื่อนั้นท่านยอมพ้นจากรูกปาลูกพ้นจากสุขและทุกข์จะไม่มีสุขไม่มีทุกข์ครับแต่ว่าที่ว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่คือหมายถึง ท่านผู้เข้าถึงนิพพานแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่มะรัตสะอุปาที่เสสนิพพานใช่ครับเธอได้ได้รถของนิพพานได้เสวยรถของนิพพานแต่ทีนี้ถ้าเปอรพูดอย่างที่คุณบุญเลิศพูดก็ถูกในแง่ที่ว่าไม่ต้องมาเป็นทุกข์เพราะเกิดครับเพราะไม่เกิดแล้วใช่ไหมฮนั่นก็ได้ครับรัันก็ได้ก็ก็ับมาถามว่าถ้าจริงๆแล้วในเรื่องของ ถ้าหากว่าจะประยุกต์หน่อยนะท่านอาจารย์เวลานร้อนขึ้นมาได้อาบน้ำเย็นๆมันก็มันก็หายทุกข์ไปใช่ครับท่านนั้นก็เป็นการช่วคข่าวเดี๋ยวาก็ร้อนอีกเดี๋ยวก็ร้อนอีกแต่ว่าเราเยบเท่บไม่เห็นว่าลักษณะของผู้ที่บรรลุนิพพานก็คือมันก็เหมือนกับแบบของหนักๆรถกำลังร้อนๆนะมัน ได้ของเย็นมามันก็ความร้อนมันก็หายไปครับครับครับนี่เราต้องพูดถึงนิพพานหลายระดับนะครับผมที่พูดถึงส่วนมากก็หมายถึงพูดถึงระดับเดียวคือระดับที่ว่าหมดกิเลสแล้วแล้วก็ตายไปแล้วครับสวัสดีครับคุณจำลองครับสวัสดีครับอาจารย์ตองขาวอาจารยัดสินและคณะทํางานทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนิดหนึ่งฟังมาก็ชื่นใจดีนะครคุณอาตำทั้งหลาย ผมเองเป็นคนที่เชื่อเวรเชื่อกรำเชื่อนรกสวรรค์นะฮะศึกษามาบ้างกนะ็ด้วยเหตุด้วยผล น, นะะที่นี้เกิดขึ้นกับตัวเองคือบ้านผมเนี่ยปลูกใหม่อยู่ในดงปลกครับการก่อสร้างก็ทําตามขั้นตอนการต้องการปลูกเรียบร้อยนะจะทํามาได้สักหนึ่งปีนี่ปลูกมากมายเลยข่ากันทีหนึ่งแม่บ้านผมเป็นคนที่ทมีสินทำแต่ว่าต้องทําใจกําจัดปลวกด้วยยาฆ่าแรงครั้งหนึ่งเข้าใจว่าเป็นพันพันตัวห ล, า ย, หล า, ยายจุดอนะฮะก็เลยคิด ว่าไอ้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรือไม่ระวางใจยังไงกันดีผมเองจะห้ามหรือจะปล่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่โดยหน้าที่พอบานก็หาทางปฏิบัติให้มันเย็นใจสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายก็ ค, ค่อนข้างจะยากอยู่อยากจะหาเพื่อนอช่วยแนะนำในเดือนนี้ด้วยฮะอีกเรื่องหนึ่งคือหลานคือเลี้ยงโคเนื้อที่สระบุรีก็ไปเยี่ยมเขาก็เป็นที่จเจริญดีนะครับทางเศรษฐกิจมันก็ได้ผล ในในความยากจนทั้งหลายเนี่ยเข้าก็จะนาแหละฮะแต่ว่าไปดูโคดูอะไรนี่ก็ น, านา่าตาก็คนน่าเห็นดูน่าเวทนาอ้<ช>วนทุนสมบูรณ์<ช>แต่มันนึกไปอีกทีว่าเขาเหล่าน<ช>ั<อ>้นเนี่ยก็โตได้ที่ก็จะต้องถูกส่งไปฆ่าผมเองรับรู้แล้วก็ทาใจไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่เรื่องนี้ก็<ช> ข, อขอปรึกษาอาจารย์วัดศิล น, นะครับกัวหาให้ให้การวางใจ ที่น่าจะเป็นไปได้ในทรรกลางสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะครับครับต้องขอขอบคุณทุกท่านครับครับขอบคุณมาเลยนะครับครับผมครับถ้าอาจารย์จะมีข้อแนะนํำยังไงตลวกมันขึ้นเต็มบ้านเลยแล้ะก็พักการเรื่องตลวกฮะเรื่องเรื่องตรวกนี่เราต้องกําจัดนะฮะครับจะไปจะไปใจดีกับมันไม่ได้ฮะครับเพราะว่าถ้าใจดีแล้วบ้านพังหมด ทีนี้ในความรู้สึกในใจ่มันตะขิตตะขวงใจคือถ้าให้ทําเองก็ต้องให้ให้ช่างที่เขากําจัดปลวกนะครับคบเขารับกําจัดปลวกให้เขามาทําแล้วมันจะผิดศีลข้อพานาติบาตเราจ้างเขามาดูแลบ้านนะฮะจ้างเขามาให้ช่วยดูแลบ้านปลวกมันขึ้นจะทํายังไงเขาก็จัดการเองนะถก็ระบอ n ว่าอย่างนี้ได้ไหมว่าปลวกนี่กเหมือนเชือ้อโรคอ่ เชื้อโรคเพื่อมันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยรเราก็กินยาปฏิชีวนะเข้าไปเข้าไปฆ่าเชื้อโครคก็ถือว่าไม่ให้มองมองในลักษณะแบบนี้จะได้สบายใจับคือถ้ า, ถ, าถ้าจะเลี่ยงหน่อยก็คือว่าเจตนาในการรักษาบ้านเจตนาของเราเนี่ยเพื่อจะรักษาบ้านเพราะว่าถ้าเผื่ อ, อปล่อยให้มันกินหมดบ้านพังลูกหลานก็ไม่มีที่อยู่เราก็ไม่มีที่อยู่ก็ลาบาก เพราะงั้นก็จัดการไปตามเหตุนะครับการไปตามเหตุไม่ทำเองก็จ้างช่างจ้างบริษัทเขามาช่วยดูแลให้ครับครับก็ไม่เป็นไรแล้วครับไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องนี้มาครับก็เาบอกว่าให้จ้างคนมาบอกช่วยไปดูแลบ้านดีอ่าให้ให้เขาดูแลบ้านให้ครับ ปลวกมันขึ้นรย่างบอกตรงๆก็ได้ปลวกมันขึ้นะจะดูแลบ้านแน่หน่อยก็ะจะทำยังไงก็แล้วแต่หน้าที่ของเขาน ะ, ะครับครับต่ น, นี้ครับข้อที่สองที่คุณทำรงยังไม่สบายใจก็คือไปเห็นหลานเลี้ยงโคเนื้ออให้อาหารมันไปให้มันม า, มาพอมโตขึ้นก็ส่งไปขายถูกฆ่าตายที่มันหดหูใจมันนึกถึงแล้วจะให้วางใจยังไงทําใจยังไงให้จัน อันนี้ถ้าพูดถึงในในในหลักของเราท่านก็ออพูดไว้เหมือนกันนะครับเลออีเ้ยงสัตว์เป็นสำหรับค่าเพื่อเป็นอาหารอันนี้ก็สำหรับอุปสศกบปฏิกาที่ใกล้ิดศาสนาก็ท่านให้เว้นนะนะครับให้เป็ น, น, ปนแต่ว่าในด้านเศรธธษฐกิจหรือว่าในเรื่องของชาวโลกที่จาเป็นต้องทาก็ทาไปก่อน ก็ได้ถ้าจําเป็นต้องทํำก็ในในตำราที่สันธานมาก็ว่ามีครั้งหนึ่งพระเจ้าไปเทศโปรดชาวประมงใช่ไหมครับครับท่านก็เทศโปรดให้ขยันให้มีสติอะไรตัวอะไรครับไม่ได้เทศเลิกข้ามข้าศัตร์ครับก็อันนี้เป็นความจําเป็นของผู้ที่ประกอบอาชีพนะครับเป็นเรื่องของอาชีพเป็นเรื่องของอาชีพถ้าจําเป็นยังจําเป็นอยู่ก็ทาไปก่อดท่า หมดความจำเป็นแล้วเลิกเสียก็ดีครับถ่าอาจารย์นาจริงๆแล้วเราทำอะไรเนี่ยมันถ้าทำตามหน้าที่ถ้าคิดว่าเรามีหน้าที่จะต้องทำก็ทำนะฮะใช่ครับแต่ว่าเมื่อเสร็จไปแล้วเราก็ไม่ต้องเอามาเป็นเครื่องท้งวลวิตกท้งวลอะไรก็ก็ดูวิ่งพี่เต้าดูเออครับอาจารย์ครับวิทย์ t ด o ๋ยววิ่งาเออแว่าขการกระทำคือว่าทำโดยไม่มีผู้กระทาครับ มีการวิทยาเราดูว่ามีการกระทําแต่ไม่มีผู้กระทำคิดอย่างนั้นแน่จ้ะนะใช่อะไรก็มันในสุภาษิตทางทางบาลีก็มีฮะกาละโกนะกิริยาวะวิจติการกระทํามีอยู่แต่ผู้ทําไม่มีใช่หมายความว่าลดตัวตนละลายตัวตนออกไป ทา่านอาจารย์ถ้ามีอะไรจะฝากไปช่วงสุดท้ายก็เถิดเลยคะะรับท่าอาจารย์เหลือเวลาอยู่นาทีเดียวใช่ไหมครับผมคร <ฮะ S 2> ับก็ขอให้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็ให้อยู่ในโลกโดยการพิจารณาเห็นโทษของโลกแล้วก็ขอให้ถือเอาส่วนที่ดีหรือความสุขที่จะพึงมีได้อะไรที่เป็นโทษก็ ทีเจรนาแล้วก็ละทิ้งไปอะไรที่เป็นคุณก็เอาไว้ก็ให้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการนะครับครับครับประกาขอบคุณท่านอาจารย์วสินมากครับครับสวัสดีครับสัสดีครับท่านท่านรู้ฟังฮะเราอยู่กับโลกแต่ไม่ติดโลกนะฮะเหมือนกับใบใบบัวเกิดจากตมแต่ว่าไม่ไม่เปื้อนไม่ติดตมไม่เปลื้อนตม เราอยู่กับโลกก็ไปติดโลกเราจะไปกังวลจะไปทุกข์กับว่าอยู่กับโลกนะครับชีวิตเราก็จะได้มีความสุขมองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นให้พิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะฮะเป็ น, ป น, ปนปปของไม่เที่ยงมันเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเพรามันเราจะได้มีความสุขจากการที่เราอยู่กับโลกนี่นะครับท่านผู้ฟังที่คาร์ครับารายการธรรมารู้สมัยก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่